นักบูตัสสะภะคะวะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักบูตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักบูตัสสะภะคะวะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บาุงพิสหิตั้งภาสะมาโนติ <c oughs> นัแลนังตามสบายวันนี้เราก็จะได้ความธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติกันเยอะๆให้มันชำจิต <c oughs> นี่ก็ออกพัรษามาอีกแล้วแป๊บเดียวกรถินแป๊บเดียวกรถินแป๊บเดียวกรถินจะหมดอีกแล้วเนี่ยกรถินหมดวันที่เท่าไ่ได้ไปทํากันบ้างไหมนะทำเยอะๆกระถิน่นกรถินนี่เป็นบุญใหญ่ได้อา น, นิสงส์เยอะทํากรถินน่ะ แต่ต้องทำกะถินให้เป็นกระถินแต่เดี๋ยวนี้มันมีไอ้นี่มันเป็นความนิยมคุณค่าคือนอกจากใด้การ น, น, นิทงดีๆแล้วเนี่ยยังได้บริวากรกะถินด้วยคนมาเห็นคุณค่านอกจากเห็นคุณค่ากะถิ่นหเห็นคุณค่าบริวากรกะถินด้วยไปไหนมาอ๋อไปตอดกะถินที่ไหนอ่ะที่นครได้เท่าไหร่อ่ะ คำว่าได้เท่าไรเนี่ยจะเป็นคำถามทุกเป็นคาถามคาถามฮิตของงานกระถินออไปทอดที่ไหนมามั่งเนี่ยใบมายังปีเนี้ยเอา้าลงู่ได้ไงอะ่ะฮะกระถินมันเป็นเรื่องแปลก แปลกอีย่างกรินเนี่ยชื่อแปลกอา่าเป็นชื่อเป็นการทำ บ, บุญที่หนชื่อก็แปลกอา่าเวลาก็แปลกคราวที่ทําก็แปลกกิริยาก็แปลกอานิสงก็ประหลาดอานิสงก็แปลกของที่นํามาทําก็แปลกนกระถิ ชื่อแปลกขมาเพราว่าชื่อมาอยู่ริมรั้วนะใช่ไหมนึกถึงยอดถึงฝักแล้วก็เป็นฝักจิ้มน้ำพริกได้แต่ว่ากลับกลายมาเป็นบุญนิยมได้เพราะกะถินนั้นเป็นภาษาบาลีแปลว่ากลางแปลว่าขึงความหมายที่เขาใช้ว่ากถินหไมเพราะมาสมัยก่อนเนี่ย เขาใช้ไม้มาตีกรอบเป็นแบบเป็นแบบผ้าไตรนี่มีผ้าะบงจีวรนทั้งคติถ้าจะทำเป็นธบงก็เอาไม้มาตีเป็นแบบก่อนตีเป็นแบบะบงก่อนแล้วเอาผ้ามาขึงแล้วก็เย็บตามแนวแบบนั้นพอถึงเวลาเสร็จหน้ากระถินขาก็แกะแบบนั้นไว้ ไปใช้ปีหน้าอ่าไอ้ตัวนั้นเรียกว่ากรถินทีนี้ไอ้ไม้ที่มันกลางบ้านเราถ้ารุ่นรุ่นนี้น่ารุ่นนี้ทันรุ่นนี้ทันรุ่นนี้ก็ทันรุ่นนั้นไม่น่าจะทันะเกิดปศะเท่าไหร่โอ้ยไม่ทันหรอกสมัยเราเด็กๆเวลาเราไปโรงเรียนโรงเรียน เขาจะปักชื่อกับปักชื่อโรงเรียนเนี่ยเขาจะใช้ไม้อะไร <S <S <S นั่นอ่ะทันป่ะยังทันอยู่หร อ, อเธอก็ร่วมยุคสมัยเหมือนกันนะไม้สดึงนีไม้สดึ ง, ดงที่เอาผ้าไปใส่แล้วก็ปักนั่นก็คือความหมายของกระถินคือคล้ายๆกับไม้สดึงอย่างนี้ฉันกระถินบางทีก็แปลว่าไม้สดึงนี่ชื่อของกระถินชื่อแปลกไม่พออ่า เวลาเวลาในการทำบุญกระถินนั้นมีอยู่แค่หนึ่งเดือนคือเรมหนึ่งค่ำเดือนสิบถึงกลางเดือนสิบสองคือวันลอยกระทงหมดหน้ากระถินและที่สำคัญคราวก็แปลกแม้มีเวลาหนึ่งเดือนแต่วัดหนึ่งทำได้กี่ครั้งครั้งเดียวดูดิเนกระถิน สิ่งที่นำมาทำก็แปลกก็คือเอาอะไรมาทำเอาผ้ามาทำกิริยาแปลกไหมเวลาเราไปทำบุญอื่นๆเนี่ยมันก็เรียกว่าถวายถวายถวายใช่ไหมแต่กระถินทำยังไงทอด <c oughs> เออกระถินเนี่ยมันแปลกนะมันน่าสนใจขึ้นมาไมมล่ะทีเนี้ยเออมันก็น่าสนใจขึ้นมามันทอดมันไม่ได้ทำอย่างอื่นทอดกระถิ่นก็ เ, ออนเรียกว่าทอดกะถิ่น อะกิริยาแปลกอานิสง์เวลาเราไปทําบุญอะไรก็ตามอานิสงไ์ได้ใครฮะได้ใครได้เร า, เราใช่ไหมแต่กรถิน่นคนไปทําทําเพื่อให้ผู้รับได้อานิสงทําเพื่อให้อานิสง์ไปตกอยู่กับใครตกอยู่กับพระดูนีมันแปลกไหม คนทําเนี่ยคนไปทอดกรถินเป็นเจ้าภาพะไปร่วมกันทําบุญกรถินเพื่อที่จะให้พระได้อานิสงส์เอ <c oughs> นี่ยมันแปลกตรงนี้หลยกรถินนนะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนที่นับถือพุทธศาสนาเมื่อถึงคราที่พระพุทธเจ้าได้อนุญาตเรื่องกรถินคือว่า เพื่อให้พระได้อานิสงส์อานิสงส์ห้าประการเที่ยวไปไม่ต้องบอกลาถือจีวรไม่ต้องครบสำรับฉันคณะโพธเป็นต้นนะห้าอย่างก็ได้ได้อานิสงส์นี่เรียมันไม่ลำบากมากทำไมมันลาบากมากทาไมได้อานิสงส์เนี้ยพระพุทธเจ้าก็เลยให้พระ กถินแต่เมื่อมืครากรถินเนี่ยและไอ้ไอ้กรถินนี่มันมีหลายอย่างอีกนะเราเคยได้ยินไหมอ๋อังกระถินต้นได้ยินนะกรถินต้นกรถินหลวงกรถินพระราชทานกะถินราชกะถินสามัคคีเคยยินไหมกระจินโจรฮะไม่เคยได้ยินเหรอ โอ้ยเย่แล้วกระถินโจนจุนและกระถินเงี้ยกระถินต้นคือกระถินอะไรฮะกระถินต้นคือกระถินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จในอดีตนั้นมีทั้งหมดส6บหวัดใหญ่ๆ วัดบวัววนนิเวศวิหารวัดสุทัศน์วัดเทพศิรินเป็นต้นแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วรัชการที่ส0บปีนี้ทรงเพิ่มอีกสองวัดคือคือวัดอะไรฮะนี่มันไม่เอาใจใส่จาไว้เลยนะต่อไปจะมีส8บแดวัดเพราะรนเกล่ารัชกาลที่สิบทรงเพิ่มอีกสองวัดคือวัด สมนัดวิหารกับวัดพระพุทธบาทสระบรุรออีจำไว้จำไว้งั้นปีต่อไปในประเทศไทยเราจะมีกระถินต้นกี่วัดสิบแปดวัดจะไปตอบ1ิบกวัดแต่เสียชื่อเป็นลูกศิษย์หมดนี่คือกระถินต้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านจะเสด็จแต่บางครั้งท่านเสด็จไม่ได้ท่านก็ให้อ พระนังสมเด็จพระนังเจ้าหรือพระบรมวงศานุวงศ์ก็สุดแท้แต่นะทีนี้กรถินหลวงคือกรถินที่อะไรฮะกรถินหลวงคือกรถินอะไร น, ะนั่นตะ้องตอบมาหนึ่งนะฮะไม่หลวงก็ได้ราชก็ได้ กะถิหลวงคือกะถินที่ทรงมีพระราชาศรัทธาส่วนพระองค์ที่จะไปทอดกะถินถวายเป็นพระกระถินเนี่ยวัดใดวัดหนึ่งนี่ส่วนพระองค์จะเป็นพระวัดหลวงก็ได้เป็นวัดราชก็ได้อยู่ในป่าก็ได้อยู่ในเมืองก็ได้แล้วแต่แต่กะถินพวกนี้เรียกว่ากะถินหลวงส่วนกถินพระราชทานนั่นคือกถินที่ทรง พระราชทานให้กับหน่วยงานองค์การหน่วยงานราชการกระทรวงทบวงกรมบริษัทห้างร้านเอกชนหรือบุคคลต่างๆเข้ารับพระราชทานผ้าแล้วนําไปทอดซึ่งจะเป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากอย่างเช่นวัดบุพารามเป็นต้นเนี่ยเป็นกรถินพระราชทานปีนี้วุฒิสภ า, ารับพระราชทานนํามาทอดทีนี้กรถินอะไรก่ะกถินราช ก็คือกรถินตามวัดราชต่างๆที่ไม่ใช่พระอารามหลวงตัวไปและกรถินสามัคคีอะฮะคือกรถินที่ไม่ได้มีเจ้าภาพเพียงผู้เดียวรวมๆรวมๆมๆรวมๆกันหลายเจ้าภาพก็เลยมาท้วงรวมกันทอดนะกระสามัคคีเกิดขึ้นที่วัดราชไม่ใช่วัดหลวงต่อไปวัดอะไรกรถินอะไรกักถินโจนเออ คิดว่ามันจะเป็นยังไงเนาะกะถินโจรคิดอ ะ, อะใช่นี่นี่ไม่มีไม่มีของอะไรเมยมีจะให้รางวัลกะถินโจรคือกะถินที่เจ้าป้าบจูโจรก็ไปแบบโจรต้นทรัพย์ไม่บอกให้วัดรู้ลงหน้กาก็ไปถึงก็ทอดเลยเปน็นเาพาทอดเลยนี่กะถินโจร สามกยาการทอดแบบอย่างเราไปจุนละกฐินได้ยินป่ะเออหรือก็เรียกมหาจุนลกฐินคือกฐินที่หืมฮะไม่ใช่แต่ไม่ใช่เรื่องที่ว่าขานะคือกฐินที่เริ่มต้นทํำ ตั้งแต่ตีควายตบฝ้ายปั่นฝ้า ย, ายที่วัดไม่รู้เรื่องเลยเดีดยยมไปร่วมกันทำตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปลูกควายปั่นฝ้ายตีฝ้า ย, ายแล้วก็ทอผ้าจนกระทั่งออกมาเป็นตัดกะเย็บย้อมซึ่งทั้งบทนี้ต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียวนี่เรียกว่า จุนละกะถินไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมแค่กะถินอย่างเดียวใช่ป่ะแล้วถามว่าอะไรเป็นสังคทานกระินนี่แหละสังคทานแท้ เพราะผู้ถวายนั้นจะไปเฉพาะเจาะจงต่อพระรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้ให้ไปถวายทิศพระบูรามให้หลวงพระให้พระอาจารุชีพครองผ้ากาถินไม่ได้หมดสิทธิ์วัดจะต้องโหวตกันมีอภรโลสีครั้งองค์ที่หนึ่งก็เสนอตัวขึ้นมาว่าบัดนี้มีผ้ากาถินเกิดขึ้นแล้วในท่ามกลางสงฆ์สงฆ์พิจารณาเห็นว่า ผู้ใดควรที่จะครองภากรถิ่นนี้ก็ให้สเสดอชื่อมาองค์ที่สองเขาบอกว่าไอ้ผู้ที่จะมาครองภากรถิ่นก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการตัดการเย็บการย้อมอะไรทั้งว่าไปองค์ที่สามก็สเสดอว่าข้าพระเจ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าพระภิกษุชื่อนี้ฉายานี้เป็นผู้ที่เหมาะกับการครองกระถิ่นท่านทั้งหลาย ได้ควางชื่อนี้แล้วพิจารณาเห็นชอบอย่างไรหากเห็นชอบโปรดกล่าวคำสาธุการพระดังโบูนั่นแหละก็จะรับพร้อมกันเลยว่ารุ จ, จติพันเตอ้ยท่านท่านครับชอบใจมากเลยสเสด็จองค์นี้มาี <laughs> ายกมือโวต องค์ที่สีหลังจากนั้นก็มีตรวจยติกันทํากลนเสร็จพิธีนั้นจึงจะได้และองค์ที่ครองผ้ากรถินนั้นต้องรักษาให้ดีไม่ให้ผ้าขาดครองถ้าผ้าขาดครองนะนะแล้วไอ้พระที่จําปรรษาครบสามเดือนจะต้องร่วมกันกรานกรถินทุกรูปจึงจะได้อา น, นิสง์เพิ่มมาแตาไม่งั้นมันอนิสงไม่ได้นะ ทุกองนั่งกรานกันนะอัตตังพันเตังกัตชะกตินังธรรมิโกกตินัทธารูอนุบูดามิองค์กลานคือองค์ครองอ่ะกลานว่าท่านทันท้งหลาย ท, ท, ท, ท่านขอรับผ้ากระถานผ้ากรถินที่ให้ผมครองวันี้ผมได้กลานแล้วโดยชอบธรรมขอท่านทั้งหลายได้อนุบูธนาเถิด แต่รูปก็อนุบูธนาอนุบูธนาอนุบูธนาอนุโบูธน า, อ, นธนาอดไหนไม่ได้อนุบูธนาอดอนิสงนะเพราะฉะนั้นกฐินจึงเป็นสังฆทานแท้แต่อานิสงแรงรนี่กฐินเรื่องเดียวมันก็เยอะเหมือนกันนะน <c oughs> ะเออ เพราะสมัยก่อนผ้าหายากหายากกว่าจะได้มาสักชิ้นหนึ่งกว่าจะได้มาสักผืนนึงกว่าจะเย็บต่อกันได้มาเป็นผืนเลผืนใหญ่เนี่ยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของของความเจริญของพระพุทธศาสนาคือทำกันพอแค่อยู่ได้ไม่ใช่พุ่งเฟอเหมือนยุค ป, ปัจจุบันนี่วปัจจุบันนี้มันสถามันเยอะ สมัยก่อนพระพุทธเจ้าให้ทำทุกอย่างเพียงเพียงแค่พออยู่ได้แต่ถ้าให้โอกาสว่าเมื่อถึงหน้ากระถินแล้วนี่ก็เปิดโอกาสให้คนได้เข้ามาร่วมกระถินกันแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยตั้งใจที่จะเป็นเจ้าภาพกระถินเนี่ยบางคนตั้งใจตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระนาว่าวิปสัสสีชาตินี้เดี๋ยวก่อนนะชาตินี้จะต้องได้เป็นเจ้าภาพกรถินสักทีนะ่ะ เพราะมันเรื่องใหญ่มากกว่าจะไปหาผ้ามาเย็บผ้ากับจะเอาผ้ามารวบรวมมาได้ที่จะไปเป็นเจ้าภากถินนมันใหญ่มากสมัยก่อนอะเยว่าชาตินี้จะต้องได้เป็นเจ้าภาพกฐินสักทีทนะตายบางคนเอาแต่คิดไม่ได้พูดนะผ่านไปสมัยพระพุทธเจ้าผ่านไปองค์หนึ่งแล้วหมดยุคว่างเว้นพระพุทธเจ้าอีกมาเกิดใหม่ในยุคของพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่ง ทีนี้เริ่มพูดได้แต่โกนได้แค่คิดนะหลังจากนั้นก็พูดได้ว่าเออคือความคิดมันแรงแล้วไงต้องพูดนอะพูดในครอบครัวชวนพอ่อชวนแม่ชวนพี่ชวนน้องว่าเราจะต้องได้เป็นเจ้าภาพกาตินรักทีตั้งใจกันไว้นะไม่ได้เป็นตายดูมันยากขนาดนั้นนะมียายแก่คนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังที่เค้าขนมนาจำได้ไหม ออฮไม่เคยได้ยินไม่เคยฟังไม่เคยจำนี่ยายแกก็นหนึ่งที่เฝ้าข น, นานาอยู่จนแกรับจ้างเฝ้านาไม่มีนาเป็นสมบัติของตัวตัวเองรับจ้างเฝ้านาพระเจ้าถึงเวลาหน้าก็ถินก็ทุก ป, ปีและแต่แกมีไอ้นี่นะตาทุสาทุ ได้แต่สาธุกับเขาไม่เคยได้ไปร่วมบุญกระถินกับเขาเลยมีปีหนึ่งตอนนี้แก่ๆมากแล้วมีคุณนายคนหนึ่งไฮโซกว้างขวางในแวดวงนะไม่ใช่แม่มณีเลย <c oughs> อันนี้มันก็ไงโทษจริงๆนะทำไมโ น, น้นรวยนำมาจัดกระถินกองย่อยเลยมามีกบวนดนตรีแห่กันมาโอ้ลั่นทุ่งเลยแหละเข้าพในวัด อ้ยายนี่แกยืนอยูในในในคันนำนาเนี่ยขนันนานารู้จักไหมรู้จักไมลูกไม่รู้อ่ะคือมันเป็นนาเนี่ยนะนาที่เขาปลูกข้าวนะก็อะไรมัน ม, มีน้ําท้องนาเนี่ยแล้วคันนำมันก็คือเสาสี่เสาตั้งขึ้นมาอ่าตั้งสี่เสาขึ้นมาแล้วก็มีคานก็อาจจะเป็นไม้ไผ่หรือไม้กลมๆนี่แหละในในนาหนา้นา เป็นคารอบร้อมแล้วก็ปูควักปูปูปูแล้วก็เอาใบไม้มากั้นมาบุ้งแล้วก็มีบันไดขึ้นซึ่งไอเนี้ยมันตั้งอยู่ในในทุ่งนาในนาซึ่งข้างล่างคำกระนมนี้ก็เป็นต้นต้นข้าวมันน้าเข้าใจยังไกันนำนาเาเรียกกรนนาอยู่เนี่ยนอนขว้าขว้าวเพื่ออะไรเพื่อว่าถ้าน้ามันเยอะเกินข้าวมันตาย น้ำมันน้อยเกินข้าวมันก็จะเชียวเฉาเพราะฉะนั้นต้องควบคุมน้ําเพอจะถ้าเห็นน้ํามันเกินนะเว้ยเกก็ไปอุดช่องน้ําไปเปิดทางให้น้ําระบายออกเฮ้ยน้ํามันน้อยมากแล้วนะต้องไปเปิดน้ําเข้ามาทีนี้มันก็จะมีเหมืองเขาเรียกว่าเหมืองเหมืองนี่หมายความว่าเป็นคูน้ําขนาดเล็กที่เป็นเมนเข้าไปตามนาต่างๆนี่เป็นน้ําเดินถ้าน้ำในในไอบไอ้ไอ้นี่มันแห้งไปแล้วก็เปิด ให้น้ำมออกมาจากเหมืองเพื่อข้าวนาถ้ามันมากเกินไปก็ปิดแล้วก็เปิดจากตรงนี้ออกไปอีกทางหนึ่งเนี่ยข้ารับจ้างทําไอ้ข้าวนานี่ก็เรียกว่าหญิงเข้านาแกยก็อยู่ที่นั่นอ่ะทีนี้ปีนั้นคุณนายเกยมาทอดกรถินนนะไอ้คุณยายแกยก็อนุมโมทนามาทุกปีแหละแต่ปีนั้นแกยแก่มากแล้วพอแก่มากแล้วคนเราพอแก่มากมากเลยมันนึกถึงอะไรรู้ป่าฮะ เออันนี้มันเก่งกว่าไม่เสียทีที่นั่งมองมันนั้นเนี่ยเอถามทีไรมันตอบได้ไว้พอแก่มาวกๆนึกถึงความตายนี่มันตอบตั้งต่างที่ยังไม่แก่ยังไม่แก่ใช่ไหมฮ ะ, ออะพอแก่แล้วก็นึกถึงความตายพอนึกถึงความตายมันคืออะไรรู้ป่ะพอนึกถึงความตายคืออะไรนึกถึงความตายก็คือว่ามันจะพราดทุกอย่างที่มีจิตมันก็เกิดอะไร เกิดอาการเหือดหายบีบคันเหือดแห้งมันเกิดการอะไรขึ้นมาพอจะตายแล้วมันคือมันพราดไปหมดทุกอย่างอะ่ะอะไรมั่งที่มันพลาดไปไม่ได้ไม่มีในความรู้สึกอะ่ะมันพลาดไปหมดเลยเออนอนก็ไม่รู้หลับไหมสิ่งที่มีอยู่ก็คือไม่รู้ไม่รู้ทั้งนั้นอะ่ะมันพลาดไปหมดแกก็ เกิดอาการใจเหี่ยวใจแห้งขึ้นมาแนละ้วนึกถึงความตายปีนี้ต้องทำกระถินทุกทีทีนี้เพีวพิจารณาสมบัติตัวเองนะผ้าถุงที่นุ่งอยู่ก็มีผืนเดียวเสื้อที่ใส่อยู่ก็มีอยู่ตัวเดียวและสมัยก่อนผู้หญิงอินเดียในจุมพูทวีนั้นท่านต้องมีผ้าคลุมใกล้สบายอะ่ะไปไหนต้องกลุ่มไม่ได้ ผู้ชายก็ต้องมีผ้าคลุมผู้หญิงก็ต้องมีผ้าคลุมแต่ผ้าเวลาลักษณะการคลุมไม่เหมือนกันผู้หญิงก็ตึ๊กานี่ก็มีผ้าคลุมอยู่ผืนเดียวแล้วจะเอาอะไรไปทำเงินก็ไม่มีสุดท้ายแค่ผ้านุ่งผ้าห่มก็มีอยู่ชุดเดียวในใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงก็มีเข็มอยู่เล่มนึ่เข็มเล่มนี้มีค่ามากเราเนี่ยรถเบนซ์มีค่าสำหรับเราแค่ไหนนะ เข็มของคุณยายมีค่ามากกว่ารถเบน์ของเราเพราะผ้าที่เกมีอยู่ทั้งผ้าหม่มผ้านุ่งและเสื้อที่สวมใส่อยู่นั้นอยู่ได้ด้วยเข็มคอยปะคอยชุนคอยปะคอยชุน อ, อ, อยู่ตลอดเลยบางทีซักๆักักักมันก็ขาดซักักมันก็ขาดยายก็ทำไงก็เดินออกไปตามปะตามไ ป, ไปหาผ้าหาผ่อนมาที่เขาทิ้งอะ ตามห้างร้านตลาดต่างๆที่เขาทิ้งเสศษผ้ามาถึงก็ซักซักักซตะซักไม่บอกก็ต้มน้าร้อนลวกลวกแล้วก็บิดบิดบิดบิดซักซัพอมันสะอาดสะงานแล้วก็เอามาชุนเอามาปะกับผ้าที่ตัวเองนุ่งเพราะฉะนั้นไอกิจกรรมนี้งานเนี้ยอะไรมีค่าที่สุดเข็มมันมีค่ามากและยายมีเข็มอยู่หนึ่งเล่ม แต่วันนั้นมันเกิดความรู้สึกอยากทอดกระถินอยากทำบุญกระถินอยากทำกระถินมากแล้วพอนึกถึงว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรอื่นเลยเสื้อผ้าที่เราใช้แล้วก็ไม่เหมาะที่กราบการที่จะไปทำกระถินแต่เข็มที่มีอยู่หนึ่งเล่มนี้ยังทำได้เพราะพระสามารถที่จะนาไปใช้ได้แต่พอนึกถึงเข็มคิดถึงชีวิตของตัวเองที่จะต้องอยู่เนี่ยมันมีความจาเป็นจริงๆิมันขาดเข็มไม่ได้ แต่นกขณะนั้นความตรนีงเกิดใช่ไหมความตรน้งเกิดแต่ในขณะเดียวกันศรัทธาก็ามาศรัทธาจิตก็เกิดขึ้นว่าแต่ถ้าเราไม่ได้ทำปีนี้ปีหน้าเราอรรถกฐินมันมีอยู่แค่ครั้งเดียวในวัดหนึ่งมีเวลาเดียวถ้าเราไม่ได้ทำครั้งนี้ปีนี้เราไม่ได้ทำปีหน้าเราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเราเกิดมาตอนนี้เราเจอพระพุทธเจ้าแล้ว เจอศาสนาแล้วเข้าใจเรื่องบุญแล้วเรื่องบาปแล้วเราจะไม่รีบทำตอนนี้แล้วเราจะทำตอนไหนศรัทธามันก็มาตกลงวงมติกันว่าทำและแต่พอทำเสร็จพอจับเข็มขึ้นมามันก็นึกขึ้นได้ว่าแล้วเราจะเอาอะไรมาเย็บมาชุนผ้าของเราถ้ามันขาดแล้วมันขาดกันแทบทุกเดือนขาดกันแทบทุกสัปดาห์เนี่ยแล้วมันก็ูุกันอยู่อย่างนี้นะ ศรัทธาจิตกับมาเฉรยจิตสู้กันไปสู้กันมาสู้กันไปสู้กันมาในที่สุดศรัทธาชนะเอาเถอะอะไรจะเกิดก็ช่างต่อให้จะต้องตายไปในขณะนี้ก็ช่างปีนี้ยังไงยังไงฉันต้องได้เป็นเป็นคนทำกระถินจับเข็มขึ้นมานี่แหละทีนี้ก็ลงจากขนําล้เดินมุ่งหน้าตรงก็ไปที่วัดเลยยิ่งเดินยิ่งอะไร ยิ่งเดินจับเข็มอย่างแน่นแน่นแล้วยิ่งเดินยิ่งเกิดอะไรศรัทธาจิตยิ่งเกิดยิ่งเดินยิ่งเกิดด้วยพลังของกุศลยิ่งเดินยิ่งเกิดปิติปิติปิติเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดใจของคุณยายตอนนั้นเป็นไงผุดพองมากผุดพองมากเลยเดินไปนี่นาโอ้เป็นคนที่ผิวผิวดำแล้วก็หยาบกร้านเพราะกรรมงาน อยู่แต่กับแดดอยู่กับลมไม่ได้ผ่านช่างเสริมสวยไม่ได้ผ่านเครื่องสะมางอะไรหนักหนาแต่วันนั้นเดินเข้าไปนะคนที่อยู่ในบริเวณวัดเห็นยายแล้วโอ้ยแกเป็นคนแก่เป็นคนขี้เรที่น่ารักอะ่ะเป็นคนที่แบบมันมีความอะไรสักอย่างหนึ่งมันผุดพองออกมาจากข้างในของคุณยายแต่ถือเข็มไปแน่นเลยนะไม่เข้าไปด้านหน้าเพราะเกรงใจคุณนายเจ้าของกระิน เดินก็ไปหลังข้างหลังโบทเข้าไปถึงบอกกับหลวงตาหลวงตาช่วยเอาเข็มของโยมไปใส่ในองคธาถิให้ทีไอหลวงตาแกก็กลัวเขาว่าเอาน้มันเข็มไอ้องคถิมหาเศษถีแต่เอาเข็มของคุณยายไอคนจนอยู่ขน้ำนานี่ไปใส่มันจะทำให้เจ้าภาพเขาไม่ยอมอะ ด้วยกูสลและด้วยปิติที่มีอยู่ในขณะนั้นยายไม่รู้สึกเสียใจเลยแต่พัฒ น, นาถึงความฉันทะความมีเกลีใจต่อกูสลของตัวเองพูดถึงกูสลด้วยฉันทะที่มีในใจด้วยหน้าตาที่ยิ้มเยมแยมแจ่มใสว่าหลวงตาโยมอายุขนาดนี้ไม่รู้จะตายวันไหนแล้วตั้งใจที่จะทำกระถินมาก สมบัติทุกอย่างไม่มีเลยและไม่เคยทำบุญด้วยอะไรแม้แต่อย่างเดียวเหลือแต่เข็มเล่มนี้เล่มเดียวหลวงตาสงเคราะห์โยมเบตาโยมเถอะให้เข็มเล่มนี้ไปอยู่ในองค์กรถิ่นน่อยไอความที่มีฉันทะความที่มีแก่ใจต่อต่อต่อกุศลของแกนะหลวงตายืนฟังโอ้สเสื้อเลื่อมสา ย, ยายไปด้วย <c oughs> เอามาเอามาเอามารีบกุดีกูโจไปรับเข็มจากยายมาเลยแล้วหลวงตาก็ บอกอย่าเพิ่งไปนะให้ยายยืนดูอย่างนี้ยายก็ยืนดูมือประดมมืออยู่้วยนะประดมมือแล้วยืนดูหลวงตาเอาดูนะดูนะหลวงตาโยนลงไปเข้าไปไม่ได้พกก้อนหินก็ญย่อยมากหลวงตาเอาเข็มโยนลงไปในบาทเสียงดังกิ้งคุณยายสาธุเอคุณยายสาธุนี่มันจะเทือนเลื่อนลั่นเลยอ่ะนั่น พวกเทไอภุ ม, มเทวดาอารักกเทวดาอากาสเทวดายุแยะไปหมดเลยต้องสาธุ ก, การตามคุณยายไปด้วยมันใหญ่ขนาดนั้นนะกาถินเนะออ <c oughs> เสร็จแล้วข้างายคุณนายเจ้าภาพกาถินก็ขเข้ามาในวัดเสร็จแล้วก็แห่กันมาไอ ความที่ตนเองเป็นก็เรียกว่าสาวสังคมอยู่แนวหน้าของสังคมน ะ, ะพวกเพื่อนฝูงแขกผู้หลักผู้ใหญ่เยอะพอเดินเข้ามาในวัดภูมีกฐินก็อยู่ข้างหน้านั่นแหละตัวเองก็เดินมานั่นแหละแต่กระวนกระวายเรื่องอะไรเรื่องรับแขกและกลัวแขกที่มาเนี่ยไม่ได้รับการดูแลแล้วมันจะเสื่อมเสียจะเสื่อมเสียชื่อเสียง บอกไปดูสีคน น, คนั้นคนนั้นคนนั้นไม่ใช่เหรอเนี่ยเดินมือเดินประดมกาินไปเรื่อยมือยกไปสักแต่ว่ายกเงี้ยไปดูทีนู้นคนนู้นมาเรียไปดูดิพอถึงเวลาเข้าไปในโบสถ์อีกไอคนอื่นเขาเดินกันรอบโบสถเสร็จแกก็เดินแต่ใจไม่ได้อยู่กับการกระถิน่นอะในตามกรถินในฐานะเจ้าของงานรู้สึกรับผิดชอบเหมือนกับเจ้าของงานพอเข้าไปในโบสถ์ก็ว่ามายังพันเต แกปากก็ว่าตามเขาแหละมายังบันเตแต่หน่าก็เห็นซ้ายเห็นขวาหันรีหันขวางเพื่อที่จะดูว่าไอ้คนนั้นเข้ามาเลยยังคนนี้เข้ามาเลยยังคนโ น, น้นเข้ามาเลยยังวุ่นวายอยู่งั้นแต่ว่าความตั้งใจเดิมของแกต้องการเป็นเจ้าภาพกฐินก็ดีทีนี้พอหลังจากนั้นไม่นานมีพระเถระรูปหนึ่งท่านข้าวอภิญญา แล้วก็ขึ้นไปข้างบนที่ดาวดึงกลับไปถึงไปเจอที่ดาวดึงเป็นที่อยู่ของเทพธิดาตนหนึ่งมันเป็นเหมือนเนินดินโคกเนินดินอย่างเงี้ยได้มีเมลักษณะคล้ายคล้หญ้าขึ้นเป็นหย่อมยอมยอมยอ ม, ยอ ม, ยอ ม, ยอมแล้วก็ล้นล้นมีหญ้ามั่งล้นมั่งมีหญ้ามั่งดินมั่งหญ้ามั่งดินมั่งเนี้ยและเทพธิดาตัวนั้นก็เกิดประจําอยู่ตรงนั้นและเป็นวิมาน ไม่มีสมบัติพระสถานไม่มีรัศมีใส่เรื่องรองอะไรก็นั่งอยู่ตรงนั้นะก็เก๋ไก๋ว่าก็เป็นเทพที่ดาและกินสมบัติที่เหมือนกับเทพอื่นนั่นแหละแต่สมบัติไม่มีอะไรเหือดแหง้งนี่ในระหว่างนั้นมีขบวนขบวนวอทองที่มีนางฟ้าเทพที่ดามากมายดุนจัดกันมาเป็นขบวนเป็นแถว แล้วมีเทพธิดาตัวหนึ่งมาเกิดและนั่งบนวอทองเป็นตรงคำแล้วก็ปลายวอรประดับเป็นชั้นเหมือนกับเจดีนึกถึงเก่งจีนไหมแต่ยอดของเก่งอันนั้น่ะยอดของเก่งจีน น, นั้นมันแหลมและไอ้ที่แหลมนั้นนะมีแสงรัศมีมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเจ็ชั้นแสงนั้นก็กับแบบเแบบขาเรียกว่านะกับพุบกลพิบะ แสงที่มันกรบพบติดขึ้นมาปุ๊บตีน๋นโอ้โหไปตั้งสิบห้ายอดสิบห้ายอดกี่กิโลอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปอบป้ยดูแล้วมันอลังการวิจิตรการตาเหลือเกินเดินผ่านมาทางตำหนักของคุณไอเทพธิดาที่เกิดอยู่เนินดินนั่นน่ะไปเห็นแล้วก็มันทำบุญด้วยอะไรนะมันถึงได้มาขนาดนี้เออเรียก แม่เทพธิดาเธอทําบุญด้วยอะไรเนี่ยทั้งทำไมสมบัติของเธอมันโอ้โหวิจิตพิสดารเหลือเกินอเทพธิดาบอกว่าโอ้ยอย่าให้ฉันเล่าเลยฉันอายเอ้าทําไมต้องอายลนะ่ะบอกมาหน่อยเถอะฉันนะเป็นเจ้าภาพกรถินโอ้โหโทษกรถินแต่ละปีแต่ละปีบางปีเป็นเจ้าภาพเองบางปีก็ไปร่วมกับเขาแต่ทําทุกปีเลยทําเยอะมากเนี่ยฉันได้แค่เนี้ย เธอจะต้องทำยิ่งกว่าฉันแน่ๆได้เธอทำด yeah. ้วยอะไรเนี่ยอย่าให้ฉันเล่าเลยฉันอายเล่ามาเธอฉันอยากรู้ฉันก็เอาแค่เข็มเล่มหนึ่งไปโยนในองค์กรถินของเธอนั่นแหละเห็นไหมกระถินเนี่ยอันนี้ส่งมากเข็มเล่มเดียวดูดิได้เป็นหนึ่งเงิน้น เพราะคนที่จะมาเป็นเจ้าภาพทอดกระถินได้พระพุทธเจ้าตรัตกาเลทะทันติสปัญญาวทัฒนยูวีธรรมชาตกาเลนัทินนังริเยสุอุชุพูเตสุตัดิสุวิปสัสสนมนาตาสะวิปูลาโหติทักกินาะเยตตะอนุมุทันติเวยาวัดจังกระติวานาเตนัทักกิณาโอนาเตปิบุญยะสภาคิโดไม่ีเยอะพอแค่นั้นก่อนแปลฟังพระพุทธเจ้าว่า ผู้ที่จะมาเป็นเจ้าภาพกฐินได้เนี่ยหนึ่งสปัญญาคือต้องมีปัญญาสองวันยูคือจะต้องรู้จักพูดฉลาดพูดสามวีตมัชชราต้องมีความตรณีน้อยอถ้ามันมีความตรณีมากทำได้ปะเข็มเล่มเดียวก็ทำไม่ได้เพราะว่าถ้ามันตรณีมากกว่าใช่ไหมไม่ได้หรอก วีธรรมชาติต้องไม่มีความตรหนีหรือมีความตรหนีน้อยอ้าวสี่กาเลนะตินังอริเยสุอุชุภูเตสุตาธิสุมีความเลื่อมใสมีใจเลื่อมใสมั่นคงในพระตนตรในพระอริยาเจ้าเนี่ยสี่ข้อนี้เป็นคุณสมบัติของผู้เป็นเจ้าภาพกถินได้ ทำไมงั้นไม่ได้หรอกมันจะต้องไปติดกับสมบัติมั่งเดี๋ยวเขาจะหาว่า อ, อ, อะไรเดี๋ยวเขาจะหาว่าทำตัวเกินหน้าเกินตามั่งแม้เป็นหิ่งห้อยบางอาจที่จะมาฉายแสงแข่งกับ อ, อ, อะไระพระอาทิตย์กลัวไปเรื่อยๆอ่ะเพราะอะไรเพราะคุณสมบัติสีประการนี้มันไม่ครบ แต่ถ้ามีคุณสมบัติสีประการนี้จึงจะเป็นเจ้าภาพกฐินได้ทีนี้คนที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพกฐินพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงพระพุทธเจ้าบอกว่าเยตถาอนุโบทันติเวยาวัจจังกะโรติวานาตนาทัก ข, ขินาโอนาเต ป, ปุญญสภาคิโดเยตถาอนุโมทันติสำหรับบุคคลผู้ซึ่งแค่ได้อนุโบธนาอ้าว ไอ้หนูนี่มันไปเป็นเจ้าภาพกฐินหนยเราได้ยินสาธุมีใจสาธุด้วยนะแช่มชื่นเลยนะสาธุนี่อนุมโมทนาเยตถะอนุโบทันติผู้ที่ไม่ได้ต้องแต่งเพียงแค่เขาอนุมโมทนาหรือเวยาวัจจังการติว่าหรือไปกระทำการอันเป็นเรื่องช่วยเหลือฝนวนฝ่ายในกิจการกฐิน เช่นไปขัดต่องน้ำไปกวาดวัดไปต้นรับแขกไ้อะไรต่างๆในกิจการของกฐิถิเนี้ยด้วยจิตที่เป็นกุศลและมีชันทะในการนั้นอนุมโมทนาก็ดีช่วยเหลือการงานต่างๆในเรื่องของกฐถินก็ดีนะเตนาทักคนาโอนาเตปิอุ ญ, ญัสภาคิโดบุญของพวกเธอไม่บกพร่องพวกเขาจะมีส่วนแห่งบุญนั้นเสมอกัน ออ <laughs> ปีหน้าอย่าพลาดนะะไม่พลาดแล้วใช่ไหมออเออเ อ, อทเาทำเยอะมากค อ, อืมอย่าพลาดนะปีหน้าเนี่ยและพระพุทธเจ้าสรุปไว้ว่าบุญญาณิปรโลกสมิงปฏิทาโหติปานินัง <laughs> บุญที่มันเกิดอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันเหมือนเงาตามตัว บุญเป็นเงาเก่าตามติดบุญเป็นมิดไปทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้องอารีไรราคีปลอดภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาให้สุขใสแม่ชีพลับดับล่วงไปบุญส่งให้ถึงสุขขาวดีเนี่ยบุญญาณิปรรโลกสมิงปฏิท่าหติปา น, นินันเพราะสะภาพของบุญเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยหลัก ในการที่จะส่งชีวิตเราเข้าสู่ความสุขแม้เมื่อเราตายแล้วบุญนั้นก็ยังเป็นที่พึ่งในโลกหน้าด้วยพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องของกรถินเนี่ยน่าทํำไหมละ่ะเพียงแคว่าการถินบางทีเราก็เบื่อโอ๊ยหน้าการะถินปีนี้ปิดประตูบ้านดีกว่าโทรศัพท์นี่ก็จะเบอร์แปลกๆก็กกไม่รับแล้วไม่รู้วัดสงส์ไวัดแถ ว, ถวถบ้านมั่งเพื่อนมั่งอะไรมั่งขอให้เป็นกรรมการมั่งรองประธานมั่งโอ้ยปวดหัว แล้วคนพุทธเมื่อถึงคราวที่มีกิจกรรมอะไรต่างๆสิ่งที่เราจะใช้กันในธรรมในกิจกรรมนั้นๆคืออะไรฮะถามเธออีก เวลาเรามีเหตุการณ์มีงานมีการมีรระพิเศษอะไรต่างๆก็แล้วแต่เมื่อถึงเวลาที่เราจะทำในการานานนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำคืออะไร ฮ, ฮึึบุญโอ้โหนโนนี่เงียบ ม, มากทุกการเกิดฉลองอายุ แต่งงานครบรอบแต่งงานมีลูกมีเต้าจนกระทั่งตายสิ่งที่เราจะทำในกิจนั้นๆคืออะไรบุญวันกาถินเราก็ต้องทำบุญออกมาค่าบูชาเป็นว่าเป็นวันจาตุรงกระสันนิบาศเราก็ไปทำบุญ วันวิสาขาบูชาวันประสูติตรรูปริพานของพระธเจ้าเราก็ไปทาบุญวันปลงอายุสังขารของพระพเจ้าเราก็ทาบุญวันอัฐมีบูชาตวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเราก็ทำบุญคิดดูสิทุกงานมันจะต้องมีบุญเข้าไปเกี่ยวทวยทุกงานสเสบอเพราะอะไรฮะ ทั้งๆที่บางงานมีบุญมั่งอบายามุกมั่งมันบางคนบวชหน้าก่ะบวชน้าลูกลูกบวชอ่ะ <S 1> <S 1> พอลูกบวชเสร็จไอ้นี่ไปก็โอ๊ยดีใจไว้ลูกของเพื่อนบวชจกเงินออกมา500หอา้ารอยใส่ช่องจะไปขอแต่วุาไม่งานนี้ไม่รับซองเขาไม่ได้ให้เมืองไอ้พวกง่อย่าบาังอาจไปตัดทางกุศลของคนอื่น เข้าใจเป่านี่มีมั่งเลยเนี่ยงสงสัยอ่ะงานนี้ไม่รับซองพอถึงงานสบก็เหมือนกันงานนี้ไม่รับซองผมไม่ได้ง่ายพวกมึงรู้ไว้ใช่ด้วยเขาต้องการทำบุญ ล, ลูกเพื่อนบวชเราถือโอกาสทำบุญได้ดีไม่ดีไอ้นันมาทำบุญมันอธิษฐาน ด้วยบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ไกลชิดกับพระพุทธศาสนาขอให้พระบวตใหม่ที่เข้าไปบวชนั้นมีความชื่อตรงต่อพระธรรมวินัยตั้งใจรักษาพุมอาจัน์ขอให้เป็นกำลังสาคัญของพระศาสนาทรัพนี้ข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอสละเพื่อเป็นทานในการบารุงกิจกรรมงานนี้ยอดลงไป อ, อ๋อไม่รับซองไม่รับซองบาปมหาสาลเลยอย่างนั้น เข้าใจไหมเคยเห็นใช่ไหมไอ้งานที่บอกว่าไม่รับสอนไปกิวว่าต้องมาด่าไปหลายงานแล้วด่าแบบเมี่ยแบบที่พูดเมื่อกี้เขาไม่ได้ไงมึงไงโง่เขาทำบุญพระพุทธเจ้าสั่งว่าไงอภิทรเรถากัลยาเดปาปาจิตังนิวารเย บุคคลต้องรีบขวนขวายในการทำบุญสองเรื่องต้องรีบขวนขวายทำหนึ่งขวนขวายในการทำบุญมากน้อยไม่รู้แหละแต่ให้ขวนขวายทำเข้าไว้ปาปาที่ตังนี่วารเยนี่คือเรื่องที่สองคือรีบหลีกตนเองออกจากบาปขยันทำบุญรีบขวนขวายในการทำบุญแล้วหลีกตัวเองออกมาจากบาปนี่พระเจ้าสั่งให้เราทำเพราะฉะนั้น คนพุทธเราสองพันกว่าปีมาแล้วเมื่อมีวันอะไรที่เกิดขึ้นมาใหม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรสุดท้วแต่ขึ้นปีใหม่สงไทยปีเก่าเยอะมากเลยสิ่งที่เราจะทำคือบุญและบุญที่เราทำนั้นเห็นไหมมันซ้ำซากมันซ้ำซากคืออะไรทานศีลภาวนาอยาเท่านั้นะ่ะ ทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาทำไปทำไปแรกแรกตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าอยู่ทานมันก็เข้าไปถึงในเนื้อทานศีลมันก็เข้าไปถึงในเนื้อศีลภาวนามันก็เข้าไปถึงเนื้อของภาวนานี่แรกแรกแต่พอหลังจากนั้นทานมันไปติดอยู่ที่ก้อนรับศีลมันไปติดอยู่ที่ แค่การกล่าวคำสมาทานภาวนามันก็ไปติดแค่รูปแบบของการนาัร่งพอพักหลังๆนี่ก็มีการอะไรตั้งขันห้าขันเก้าทำโ้ยครอบครูครอบครึงอะไรต่างๆเยอะ ย, ยกไม่หมดคือมันไปได้แค่รูปรูปคลำคลำเข้าไม่ไปถึงเนื้อของทานไม่ถึงเนื้อของศีล ไม่ถึงเนื้อกองภาวนาคุณค่ามันก็เลยค่อยๆหายไปเพราะว่าบุญที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารีบทำนั้นเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นถึงอะไรความสกรปรกของจิตความทุกวิบากของชีวิตนั้นเกิดขึ้นจากความโลภความโกรธความหลงเป็นหลักเห็นไหมความโลภความโกรธความหลงที่มันมีอยู่นี่มันทาให้จิตเราสกรปรกและประกอบกรรมชั่วได้ เด็ดัดตักตบุบ บ, บ, บ, บไปโลภโอธรรมมานังปริปันโทความโลภเป็นอันตรายแกทำทั้งหลายดูสิเนี่ยน่ะแม่อะไรนั่นะลูกศิษย์หลวงปู่ทองอะ่อะฮะอ น, นั่นโลภไม่เคยคิดวางแผนไม่คิดที่จะฆ่ามาแต่ก่อนๆนะไ อ, อ, อ, อไอไอแม่หญิงนั่นน่ะแกถึงแกเป็นเศรษฐีแกรวยและแกเป็นนักบุญแกเป็นนัก ควังทำเป็นนักปฏิบัตินะแกทําไมจะมองคนไม่ออกแต่มองดูออกแล้วไอ้นี่ไว้ใจได้แถมยังมาบอกน้องชายบอกเพื่อนบอกฝูงไม่เป็นเลยไม่ต้องห่วงเรารู้จักคนกับรสของแถวคนเนี้ยวไว้ใจได้มันไว้ใจได้จริงๆอะไรแต่ตอนที่มันไว้ใจไม่ได้คืออะไรมันโลภพอโลภปับ๊บอะโลภโอ ธ, ธรรมานังปริปันถุความโลภเป็นอันตรายต่อความดีทั้งหมด เกิดความโลภขึ้นมามันเลยทำการทุกตีทรมานแล้วก็ออาวัดเอทีเอมไปหลังจากนั้นเมื่อรู้ว่ารหัสถูกต้องกลับมาก็เลยนั่นแนะเอาอถุงสวมรัดคอใส่ไว้ในตู้เย็นโลปูนเทมันทำไปได้เรื่อยเลยอำนาจของความโลภทำได้หมดฮะเนี่ยโลโทธรรมพริพรูปเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธ ค, ความหลง เป็นสิ่งสุขปรกของจิตและเป็นตัวที่ก่อให้เกิดอาดยาคือความผิดทุกชนิดในโลกใบนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องอะไรอะทีนเนี้ยไอ้โลกโกรหลงมันคือบาปพระพุทธเจ้าเลยสอนเรื่องบุญบุญก็คือทานศีลภาวนาเราทําทานทําไมล่ะทีนเนี่ยฮะ ทำทานเพื่อกำจัดความโลภรักษาศีลล่ะรักษาศีลเพื่อกำจัดความโกรธและกิเลสที่เป็นสกุลของความโกรธทั้งหมดภาวนาทำเพื่อกำจัดความหลงถ้าเราบอกว่าเราทำทานแต่ความโลภเพิ่มขึ้น เราบอกว่าเราข้าวัดกวาดรักษาศีลแต่ความโกรธเพิ่มขึ้นเราบอกว่าเราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมโอ้ยเดินจนเท้าแตกเลยโอ้ยเมื่อวานนี่ทําเก็บชั่วโมงเช้าได้ชั่วโมงครึ่งเที่ยงได้อีกสาสิบนาทีพอตกเย็นก็นอนได้อีกชั่วโมงหนึ่งไายไปบอกเพื่อนโมอใหญ่ยังอ้าวแล้วทำไมยังไม่นอนพอดีอซื้อเอาซีรีส์เกาหลีมานั่ง ฮะมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมอะไรเพิ่มอะไรเพิ่มความหลงมันเพิ่มถ้าการกระทำอะไรก็ตามจะชื่อว่าทานศีลหรือภาวนาก็ตามถ้าโลภมันเพิ่มขึ้นโกรธเพิ่มขึ้นหลงมันเพิ่มขึ้นมันบาป เพราะฉะนั้นคำว่าบุญมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วทําไมมันมีเยอะล่ะพระพุทธเจ้าตรัสวันน้งสิบเรื่องหนไอ้ทุกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเข้ามาเพื่อกล่อมเกลาจิตเพราะฉะนั้นคําว่าบุญจริงๆมันคือการกําจัดซักฟอกขัดเกลาจิตใจเอาความโลภความโกรธความหลงนี่แหละค่อยๆขัดกล่อมมันไปเรื่อยๆกล่อมมันไปเรื่อยๆกล่อมมันไปเรื่อยๆเกลามันไปเรื่อยๆเกลามันไปเรื่อยๆ อยู่ที่ตามกําลังของมันและกําลังของบุญที่จริงๆคืออะไรคือเจตนาเจตนาที่เป็นทานเจตนาเจตนาที่เป็นทานคือเจตนาที่ให้นะเจตนาที่เป็นศีลคือเจตนาที่รักษาภาวนาละ่ะคือเจตนาที่รู้จริง ที่เป็นฐานของความรู้จริงนั่นแหละเรียกว่าบุญสมัยพระเจ้ามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะเกิดด้วยมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาเรื่อยๆพอมาถึงสมัยนี้ยิ่งมีแอปพลิเคชันยิ่งถ้าคนฉลาดนะถ้าคนฉลาดจะสามารถทำบุญได้ง่าย นึกถึงวัดบุพารามีคิวาโคทยังเดี๋ยวนี้ก็มีคิวโคตนึกถึงอะไรอ่ะต่างๆยงเยอะแยะไปหมดเนี่ยเขามีอ่ะเราไม่จำเป็นต้องเยอะนะแต่ให้จิตเนี่ยนนพูดเฉพาะเรื่องทานอย่างเดียวนะให้ทานอย่างเดียวหมายความว่าไม่ใช่ว่าโอ้ยเรามีทรัพย์สินรวมแล้วมีมูลค่าสองร้อยสามร้อยล้านเราจะต้องทำบุญทีหนึ่งล้านสองล้านสามล้านไม่จาเป็น คิดแบบนั้นนะคิดผิดถ้าเราเดินไปเห็นคนขอทานมันขอทานอยู่เนี่ยเอาเงินออกมาสิบบาทหรือยี่สบาทกามไว้ที่มือด้วยเงินอันบริสุท์ที่ข้าพเจ้าหามาได้ด้วยริ้วแรงนี้ก้าข้าพเจ้าขอแบ่งปันเงินส่วนนี้ให้กับขอทานผู้นี้เพื่อเขาจะได้นำไปใช้ไปกินไปดื่มให้ประทังชีวิตเพื่อให้ชีวิตเขามีความสุข หยอดกึ๊กลงไปในระหว่างที่เรารำพึงพิจารณาทำในใจของเราอยู่นั้นอะไรสะเทือนฮะความโลภมันสะเทือนเพราะสิ่งที่ทุกเรื่องที่มันชื่อว่าของเราทั้งหมดและดูสิเรามีความปราปรถนาอะไรมัง่งไม่มีไม่มีความปรารถนาเลยเลยให้ได้มัสะอาดเรียกว่าปายตาพานีให้ได้มือมันสะอาด ยี่สิบาทใส่ลงไปแต่ไม่ใช่ชับให้มันไปจบจบไม่ใช่พอเขามาขอทานเขาให้มันไปจบจบที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะอขอทานกับเศรษฐีรู้จักกันมานาน่ะเศรษฐีก็ให้ขอทานทุกวันวันหนึ่งสิบบาทสิบบาทสิบบาท ก็ทานก็ถึงเวลาก็ไปรอแล้วไอ้วันนั้นวันพระก็ทานไปยืนรอหน้าบ้านเอ้ยวันนี้นะทําไมท่านเศทษฐียังไม่ออกยังไม่ออกมาเดินเข้าไปดูสิเปิดประตูก็ค่อยย่องเข้าไปในบ้านเห็นท่านเศทษฐีถือทูบอยู่กําหนึ่งนั่งที่อีกแปลงหนึ่งที่ข้าพเจ้าถือครองอยู่นั่นให้ข้าพเจ้าขายได้รักหมื่นล้านเธอ นี่ที่คุณนั้นค้างอยู่ก็ให้เขามาให้เธอเศรษฐีนี่นั่งพันธนะาไรยความปรารถนาของตนเองเป็นหมื่นล้านไอ้ขอทานมายืนฟังก้มหัวทีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆย่องเดินออกมาเลยรีบหนีเลยเศษีอาทิตาเสร็จกลับมาอขอทานไปไหนวะ วิ่งกลับมาให้ลูกน้องวิ่งตามหาขอทานจนเจอตัวมาเอ้ทำไมไม่เอาบัรแบเดียวก็ได้อ้ยผมไม่เอาแล้วครับเอาทำไมไม่เอาอะผมขาดแค่สิบบาทแต่ท่านยังขาดอีกเยอะ <c oughs> ขอทานบอกผมขาดแค่สิบบาทเองผมได้สิบบาทผมสบายแล้วแต่ท่านขาดอีกเยอะมากผมไม่กล้าเอาของท่านแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราให้ทานจงจําไว้ให้มันมีบริบทที่เราจะต้องเกิดเขาเรียกว่ามานัสการคือทําในใจที่ไม่ได้ทําสิ่งใดเพื่อในในการทําในใจนั้นไม่มีสิ่งใดเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตนให้มันออกไปแบบชนิดที่เรียกว่ามีฉันทะด้วยมีความพอใจในการที่จะมันไหลออกไปด้วย ัพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าให้มันเกิดความบริสุทธิ์สามวาระการ น, นั้นจะมีผลมากหนึ่งฮะงก่อนที่จะทําก่อนที่จะให้เรียกว่าปุพภะเจตนาสองฮะงขนาดที่ทําขณะที่ให้เรียกว่าจารกะเจตนาสามหลงรรมังทําเรียกว่า าร a ร a p หัต t j i ตนาให้มันบริสุทธิ์ก่อนที่จะทำนี่แล้วมันจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรบริสุทธิ์ด้วยการพิจรารณาใช่ไหมก่อนทําก็ทําจิตของตนให้มันมีความบริสุทธิ์ท่านคนสมัยโบราณเวลาเขาจะใส่บาตรเนี่ยเขาเตรียมตั้งแต่วันนี้เย็นเย็นพอพรุ่งนี้ตีสี่เขาตื่นมาแล้ว ตื่นมาแล้วเขาอาบนา้าอาบท่าทเรียมกับโคกับข้าเสร็จครอบไว้แล้วเขาอาบนา้าอาบท่าแต่งตัวอย่างสะอาดยกไปตั้งไว้หน้าบ้านคือทุกขิยาที่เคลื่อนไหวยอยู่นั้นเป็นไงมีฉันทะต่อบุญญาทานนั้นต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อ ง, อองท่านจึงได้บุญมากแล้วสมัยก่อนสังฆทานเป็นอะไร อตอบสิสังคทานเป็นอะไรวัตถุที่เป็นสังคทานคืออะไรฮะไม่รู้เดี๋ยวนี้เวลาเราทำสังคทานมีอะไรบ้างเนียถังถังเกิดขึ้นเพราะใครใครลานสังกพันฉลาด เมื่อก่อนเขาเอาอะไรทําสังกทานอาหารขาวหวานนี่แหละถ้าเราไม่มีมียายคนหนึ่งแกเอาอะไรมาทําสังกะสานหรอวะลองคิดซิว่าเขาเอาอะไรทําสังกทานนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ้ยวันนี้สนุกดีไวเอาอะไรมาทำสังกทานลงพูดดินึกนึกนึฮะ ก็ยังไม่ใช่อาจจะมีแต่ว่ามันไม่ใช่ในสิ่งที่อาจะมาถามมีผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งแก่ไม่ได้อยู่ที่ขนํานานะคนละคนกับคนนั้นคนนี้รับจ้างคว้าน้ําดูในดูน้นนําในนาไอ้นนท์นี่มีขนําอยู่นะแต่คนนี้ไม่มีบ้านอยู่ของตัวเองต่างหากแต่รับจ้างคอยดูน้นนําในนา รับจ้างรักษานะาเช้าขึ้นมาก็เดินตรวจในทุน่งนาพระองค์หนึ่งเดินมาเป็นพระปัจเจกพบพุทธเจ้าตอนนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าว่างจากพระพุทธศาสนามีพระปัจเจกพบพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็เดินบินธบามาผู้หญิงคนนี้อยากจะทำบุญที่ให้มันได้บุญมากๆากจะทาไงอะ แต่ไม่มีอะไรทำฮะฮะเอเอเนี่ยเธอขุดดินเหนียวขึ้นมาดินนะแล้วเลือกกากแข็งๆออกๆออกแล้วปั้นปั้นปั้นทุบทุบทุทุบทุบทุทุจนก็ต้งปเป็นเหนียวสะอาดเลยบอกว่าจะต้องการถวายดินเนี้ยให้กับพระคุณท่านแต่ทำอย่างไรถึงให้มันได้บุญมาก พระปฏิเกบอกว่าท่านทำสงฆทานเลยสงฆทานคือไม่ได้มุ่งเฉพาะข้าพเจ้านี่มุ่งต่อพระปฏิเจกพุทธเจ้าทั้งปวงแล้วข้าพเจ้าจะนําทานนี้ไปแจกใจให้ใส่ดินเหนียวปุ๊บเดียวดินเหนียวร่วงลงในบาทของพระปฏิเจกพุทธเจ้าเนื่องจากว่าบาทของพระปฏจเกพุทธเจ้านขณะนั้นมันทะลุมันทะลุอยู่ดินเหนียวร่วงลงไปในบาทของพระปัิเกเจ้าปุ๊บเธอสําเร็จ รู้ไหมอะไรเกิดอ like ่ะอ่ะฮะเกิดการโกลาโหนขึ้นในสวรรค์ชั้นดาววัึงอ๋อเกิดอะไรขึ้นในชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงรู้ไหมมีเทพปบุตรเทพนิดาต่างๆเดินท่องอยู่ในสวรรค์ดาวดึง ในระว่งที่ท่ออยู่นะอยู่ๆมีวิมานโผล่ขึ้นมาในดาวอุดมในถ้ำกลางที่เทพประุตเทพนิรดาตื่นโนกตกใจว่าเป็นวิมานของใครวะเข้าไปดูมันว่างเปล่ามันว่างเปล่าแค่โยนก้อนเหนียวลงในบาทปุ๊บบนดาวอุดมเกิดเป็นวิมานปุบเลยไ่ น่าทําหมอันนั้นคือสังกฐานหลังจากนั้นพระประเจกบพบผูเจ้าก็นําดินเหนียวนั้นอะไปที่ภูเขาคันธมาศเป็นที่อยู่ของหมู่พระประเจกับผูเจ้าแล้วก็เอาดินเหนียวเนี่ยไปแจกใจ่ายให้พระประเจกบพบผู้เจ้าที่เป็นพระหันนําไปอุดไปยาไปขัดบาตของแต่ละท่านแต่ละท่านและอํานาจของ พิธาธรรมเวทนิยกรรมกไอยกุศลดิ้นเหนียวนเด็ดเท่าไรหักเท่าไรมันไม่หมดนี่เรียกว่าสังกรฐานทำด้วยด้วยอะไรเดี๋ยวนี้ถึงเวลาเราจะทำสังกรฐานเราไปที่ร้านน้องดีไมด่ดีมันก็เขียนรายการไว้ด้วยนะพอเราซื้อน้องๆไม่ครบนะ มีบอกมีบอกเราอย่างนี้อีกนะไม่ครบนะเอาขาดอะไรอะ่ะนั่นยังไม่มีน้ำเลยนี่ถังนี้มีน้ำไปเอาไปถวายทิ้งพระก็ฉันไม่ได้หรอกเพราะน้ำกับเฟบมันนอนกอดกันอยู่ <c oughs> พอเปิดมากลิ่นก็หมุเป็นเมือกเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยให้ทำทานศีลภาวนาในสมัยสองพันกว่าปีที่แล้วมันเข้าถึงเนื้อทานเนื้อศีลเนื้อภาวนา มันจึงเกิดเป็นพระอริยะคนควังธรรมแล้วปฏิบัติธรรมแล้วเข้าถึงเข้าถึงเข้าถึงเข้าถึงแล้วเดี๋ยวนี้เราใช้ทานศีลภาวนาเป็นตัวอะไรเป็นตัวให้ได้มาซึ่งรางวัลที่หนึ่งเป็นตัวให้ได้มาซึ่งโชคซึ่งลาบเป็นตัวให้ได้มาซึ่งยศถาบรรดาศักดิ์เป็นตัวให้ได้มาซึ่งออะไรลูกนี่ อะไรณี่ศีลเป็นตัวให้ได้มาซึ่งความสําเร็จเป็นใช้ทานศีลภาวนาเป็นตัวที่จะทําให้ลูกเอ็นข้าวแพทย์ติดเป็นตัวที่จะทําให้ลูกเอ็นเตรียมทหารติดเป็นตัวที่จะทําให้ลูกเข้านายร้อยได้ไอ้ลูกทหารอยู่แล้วเป็นตัวที่ทําให้ลูกซึ่งเป็นตํารวจอยู่ที่ต่างจังหวัดได้ย้ายเข้ามาเป็นสารวัตรอยู่กอทัพโมอะไรเงี้ยแล้วก็อาศัยทานศีลภาวนานี้ เป็นข้ออ้างกันทั้งนั้นมันก็เลยยิ่งห่างออกจากบุญที่พระพุทธเจ้าประสงพะมาบุญมันห่างออกมามันเน้นที่เนื้อฐานมันไปเน้นที่ตัวตัววัตถุทานเนี่ยมูลค่ามันเลยเป็นยังไงมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นจนกระทั่งมีคนบอกให้ทำบุญด้วยเพชรนะเอาเพชรตานั้นเพชรเท่านี้ตั้งเท่านั้นตั้งเท่านี้ ถ้าให้เงินเท่านั้นเราจะได้อานิสงส์อย่างนี้ใต้เงินเท่านี้ก็จะได้อานิสงส์อย่างนั้นเนี่ยมันผิดเพี้ยนกล้าพูดได้ว่ามันผิดเพี้ยนไปจากบุญที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าเราจะต้องรีบทำสองเรื่องหนึ่งอาพิตเต ร, รากัลยาเนต้องรีบขวนขวายในการทําบุญสองปะปาจิตตังนิวรเยต้องรีบหลีกจิตออกจากบาป สองเรื่องนี้ต้องทำเป็นเรื่องริีรบรีบรีบด่วนเลยท่านทางหิกราโตบปุญยังถ้าเรามัวชักช้าปาปะสมิงระมติมาโดใจเราเนี่ยมันจะชุ่มไปด้วยบาปเนี่ยไอ้กาเจ้าปรารบเรื่องเล่าเรื่องกฐินในกว้างรัสิบหนาทีอปาก็ไปนานนะเนี่ย เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงต้องมาขวนขวายถึงบุญทีนี้ยอดของบุญคืออะไรเมื่อเรารู้แล้วว่าบุญมันคือการขัดเกลวจิตใช่ไหมคือการกระทําใดๆที่เป็นไปเพื่อความชักฟอกขัดเกลวจิตใจของเราใจของเราเนี่ยถ้าไม่ให้บุญเข้าไปไปอุปถัมบํารุงอยู่ บาปมันก็จะไปรัดดึงบาปก็รัดดึงอยู่ในลักษณะของโลภโกรธหลงตามชื่อต่างๆที่เป็นกระแสของอารมณ์ทั้งหลายเพราะเมื่อบาปครองจิตอยู่จิตเราจะดิ้นไปชีวิตเราจะดิ้นไปแค่ไหนก็ตามในที่สุดมันจะไปหยุดอยู่ที่ไหนหยุดอยู่ที่ไหนฮะเอมีเสียงแว่ๆแวๆเมื่อกี้ไปหยุดอยู่ที่ไหน ไปหยุดอยู่ที่ทุกเส้นทางของแบบนี่มันจะตันเส้นทางของโลระโทสะโมหานี่มันตันอยู่ที่ไหนตันอยู่ที่ทุกแต่บุญเป็นเส้นทางที่สามารถที่จะขัดเราแล้วนำพาจิตให้ไปสุดอยู่ที่ฮะความพ้นทุก เราเรียกว่าความพ้นทุกข์แท้จริงมันคืออะไรคือความสุขที่แท้จริงใจเราเนี่ยเราต้องการอะไรวันหนึ่งหนึ่งทุกวันเลยที่เราต้องการต้องการอะไรต้องการความสุขและสุขนั้นมันควรจะเป็นสุขที่แท้จริงแต่ในการที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรมันก็เลยแสวงหากันไปตามอารมณ์ตามพื้นฐานของใจตามพื้นฐานของโลภโกรธหลง มันจึงเกิดเป็นเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายขึ้นมานั้นเราจึงมีพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนี้พระพุทธเจ้าเลยบอกเราชี้เราบอกให้เราทําให้เราทําให้เราทําเพราะฉะนั้นยอดของบุญก็คือการตรงไปที่จิตและก็ขัดเกล่ำตรงไปที่จิต และก็ขัดเราพระพุทธเจ้าเรียกตรงนี้ว่าเอกายมักนี่คือเส้นทางสายเดียวที่จะทําให้เราเป็นสุขอย่างแท้จริงได้เป็นเส้นทางสายเดียวที่จะทําให้เราเข้าสู่ความพ้นทุกขได้เป็นเส้นทางสายเดียวที่เขาเรียกว่านิพพทิกะที่จะให้เราเจาะทะลุเจาะทะลุทางตันของความทุกขนั้นสู่ความพ้นทุกขได้ เส้นทางสายเดียวที่ว่านี้นอกจากทานศีลภาวนาแล้วคืออะไรฮะสมแล้วแหละที่มาหลายครั้งนะเราเรียกกันว่ามารกแปดพระพุทธเจ้าเรียกเส้นทางนี้ว่าสามโพธิมุต สมโพธิมุตคือสวรรค์นพระนิพพาน <c oughs> ชีวิตจะไม่ตกต่ำถ้าก้าวถูเส้นทางสายนี้ชีวิตจะไม่ตกต่ำทุกการเคลื่อนไหวของชีวิตในขณะในระหว่างวันทุกการเคลื่อนไหวเลยทุกทุกการเคลื่อนไหวของชีวิตในระหว่างวันนั้นจะหลีกจากบาปจะหลีกออกจากบาปและมันจะเกิดการพัฒนาความรู้ ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่ที่เราไปพัฒนาเนี่ยมันได้เป็นความรู้ไปตามลําดับสมชั้นชั้นแรกเรียกว่าความรู้ชั้นทิฏฐิเนี่ยที่เรารู้รู้นั่งฟังแล้วก็รู้นั่งฟังแล้วก็รู้เนี่ยรู้ทิฏฐิทั้งนั้นแต่พอมพอมีอะไรมากระทบไปไง ก, ก็วิบแล้วเพราะความรู้ชั้นสองมาไม่ทันความรู้เมื่อพัฒนาขึ้นมาชั้นที่สองคือความรู้ที่เห็นคุณของกุศล และเห็นโทษของอกุศลนี่คือการเข้าสู่ความขัดกล่อนแล้ว ม, มันนายอากุศลเริ่มมันมีฉันทะกับกุศลจิตก็จะน้อมเข้าไปสู่กุศลนี่นี่นี น, น, น, นความรู้ชั้นที่สามที่พัฒนาขึ้นมาเอารู้ชั้นแรกแล้วนะรู้ชั้นแรกคือการเรียนรู้การฟังการอ่านการดูเนี่ยให้มันเกิดเป็นความรู้ และความรู้ชั้นนี้ได้ถูกเถียงกันเยอะแยะมากมายเลยที่เถียงกันอยู่ทุกวันนี้บางคนรู้ชั้นนี้นี่นะเทศเก่งกวา่าจะมาอีกแล้วเอาสมัยพระพุทธเจ้าอะเห็นนะอ๋อเราไม่ได้ฉันเ็นเป็นไรแล้สมัยพระพุทธเจ้ามีพระสองรูปเป็นเพื่อนกัน ไอ้คนหนึ่งมันก็คือมาอายุมากแล้วเห็นว่าข้างนอกมันลําบากเลยเคือข้ามาบวชพอข้ามาบวชเสร็จแล้วก็ไอ้คนหนึ่งก็คิดว่าตัวเองแก่แล้วอย่าไปเสียเวลาเรียนเลยเอาแต่ค่อยแค่อารมณ์ของกรรมฐานแล้วไปปฏิบัติเอาเอามรรคผลนิพพานดีกว่าไอ้คนนี้ก็เรียนในอารมณ์ของกรรมฐานตั้งแต่อารมณ์ฌานอารมณ์รมณรมรคอารมณ์ผลจนถึงพระนิพพาน แล้วก็เข้าไปปฏิบัติสำเร็จเป็นพระดาหาันมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะแต่อยู่ในป่าแต่อีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนบวชด้วยกันเนี่ยบอกว่าเราจะต้องเรียนทรงจำพุทธวจะนะให้ได้ให้มากที่สุดไอ้คนนี้ก็เก่งจำเยอะเรียนดูเป็นหัวหน้าเป็นคณาจารย์ใหญ่ของสิบแปดคณะแล้วเทศนี่นะโอ้โหเก่งกว่าธรรมาเยอะคนฟังแกแล้วเนี่ย เบกกรดเข้าป่าเลยขนาดนั้นนะจนวันหนึ่งไอ้ไอ้คณาจารย์อาจารย์ที่อยู่ในป่าให้ลูกลูกศิษย์มากราบพระพุทธเจ้าแล้วสั่งลูกศิษย์ว่าเวไปกราบพระเพื่อนของเราด้วยนะอันนี้บอกเออเนี่ยอ า, าจารย์ขวากมากราบหลวงพ่อนะใจมันก็นึกขึ้นมาว่าโอ้โห มีคนเรียกท่านอาจารย์เลยเหรอไอ้เพื่อนเราคนนี้อะไรมันก็ไม่ได้เรียนมันไม่รู้อะไรมันมันรู้อะไรถึงขนาดต้องไปเรียกมันว่าอาจารย์นะมันเป็นอย่างนี้แล้วพอรู้มากแล้วยากนานเนี่ยไอ้รู้อย่างนี้ทีนี้ทันที่สุดวันหนึ่งอาจารย์มาเองลูกศิษย์มาสี่หร้อยคนลูกศิษย์เป็นพระอาหารหมดเลยละ <c oughs> <c oughs> เรียนนิดเดียว แต่ว่าลูกศิษเป็นพระหานหมดและไอ้พระคันธิกะไอ้พระที่เรียนเป็นหัวหน้าคณะาจารย์ใหญ่เนี่ยยังไม่ได้มักในผลไม่ได้ฌานสมาบัติอะไรไม่เคยเข้าอารมณ์ของฌานเลยไม่เคยแต่จําหมดเนี่ยทีฆนิกายเอยสังยุตตนิกายอะไรต่างๆจําได้หมดอะ่ะเทย์ดได้เก่งมากอะ่ะ <c oughs> นี่พอมาถึงก็ที่กุติของไอ้พระคันธิกะเนี่ยพระที่ว่าเก่งเนี่ย เก่งแต่ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยก็ต้นรับพระวิปัสนาที่ว่าเป็นพระอรหรันต์สั่งให้ลูกศิษย์จัดอาสนะปูไว้เสมอกันแต่ว่าเวลาเ็าจัดอาสนะตามกุติต่างๆเนี่ยเวลาเราอย่างพวกเรานั่งเนี่ยอย่างพวกเรานั่งกันอยู่เนี่ยเราต้องมีอะไรเราต้องมีอะไรฮะใหญ่กว่านั้นอีก เราต้องมีอะไรเราต้องตั้งพระพุทธรูปเพื่อเป็นอะไรแทนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในสมัยเมื่อ 2,600 กกว่าปีที่แล้วไม่ว่าตรงไหนพระพุทธเจ้าจะเสด็จหรือไม่เสด็จก็ตามเมื่อเราจะจัดมานั่งคุยกันอย่างนี้ต้องปูอาสนาไว้สำหรับพระพุทธเจ้าก่อนไม่รู้จะเสด็จมาหรือไม่เสด็จมาไม่รู้แต่ต้องปูไว ตอนปัจจุบันพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเราเลยนิยมตั้งอะไรตั้งพระพุทธรูป <c oughs> นี่นี่ก็จัดที่ให้พระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็นั่งและในใจนั้นกะว่าจะสัดให้น่วมเลยวันนี้พราตัวเองจํามากรู้มากกาจะถาม ไ, ไม่เอ้ยพระพุทธเจ้าก็นั่งรู้ว่าเออไอ พระคันธ่กะนี่มันจะย่อยยับในวันนี้แล้วเพราะถ้าเล่นไปล่ อ, อ ก, กับราหันใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องบาปมันแรงพระพุทธเจ้าก็ทำทีเสด็จออกมาเดินเล่นแถ่วิหารผ่านกุฏิของพระคันธ่กะแล้วก็เสด็จขึ้นไปทรงประทับตรงไหนไปประทับตรงที่อาสนะที่เขาปไวยให้ใหงั้นแหละ ก็ต้องบอกไงกุติทุกที่ต้องมีที่สําหรับพระพุทธเจ้าประทับพระพุทธเจ้าประทับเสร็จก็อ้อเธอกําลังคุยเรื่องอะไรกันอ๋อยังพระเจ้าค่ะเป็นเพื่อนกันนานแล้วไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าก็เลยถามปัญหาถามปัญหาถามปัญหาต่อพระคันธิกะที่ว่ารู้มากเก่งมากเนี่ยถามหข้อข้อที่หนึ่งถามอะไรเป็นอารมณ์ของชาญ ตอบไม่ได้ข้อที่สองถามอร่อยเป็นอารมณ์ของสมาบัติตอบไม่ได้อะไรเป็นภูมิของพระโสดาบันตอบไม่ได้ถามว่าแกรู้ไหมแกรอ่านเคยท่องมาแกรู้แต่เวลาพระพุทธเจ้าถามถ้ามันไม่ได้รู้จริงไม่มีใครกล้าตอบไม่มีใครกล้าพูดสิ่งที่ตัวเองรู้ไม่จริงต่อหน้าพระพุทธเจ้านะเข้าใจบ่เออไม่มีใครกล้าพูด สิ่งที่ตัวเองรู้ไม่จริงต่อหน้าพระพุทธเจ้าอะไรที่ตัวเองรู้ได้จริงอย่างไรพวกเมื่อพระพุทธเจ้าถามจะพูดอย่างนั้นพอถาม ent, <c oughs> อะไรเป็นอารมณ์ของฉันตอบไม่ได้อะไรเป็นอารมณ์ของสมบัติตอบไม่ได้อะไรเป็นภูมิของพระโสดาตอบไม่ได้อะไรเป็นภูมิของระสกาตาคาตอบไม่ได้อะไรเป็นภูมิของพระอนาคาตอบไม่ได้อะไรเป็นภูมิของพระอรหันต์ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าก็เลยหันไปถาม พระวิปัสสนาที่ว่าเป็นพระอรหันนะออและอะไรเป็นอารมณ์ของฌานปุ๊บอะไรเป็นอารมณ์ของสมาบัติตอบปุ๊บอะไรเป็นอารมณ์ของโสดาสองสกาทาคาของอนาคาของพระอรหันพระโอน้นก็ตอบแบบแบบไม่มีนิรุติศาสตร์อแบบไม่มีภาษาศาสตร์แบบไม่ได้เรียนไม่ได้เรียบเรียงะ แต่ว่าตอบตรงโป๊ะโป mm ๊ะโป๊ะโป๊ะพระพุทธเจ้าว nah, ่าสาธุสาธุสาธุบรรดาเราลูกศิษย์ของพระพวกนี้ว่าพระพุทธเจ้าลำเอียงเข้าข้างพระที่อยู่ป่าอาจารย์เรานี่เป็นหัวหน้าคณะอาจารย์ใหญ่ถึงสิบปดคณะเก่งลูกศิษย์ลูกหางเยอะแยะแต่ทำไมต้องไปสาธุการในขวางนน้น พระพุทธเจ้าเลยหันไปถามพวกเธอกําลังนั่งคุยกันเรื่องอะไรอ๋อกาลังคุยกันเรื่องที่พระองค์ทรงอากาติพระเจ้ากันในพวกเธอลองเล่ามาฟังให้ฟังสิพวกนั่นก็บอกปลาก็บอกว่าก็อาจารย์ผมอะเก่งขนาดนี้ทําไมพระองค์ถึงไปสรรเสริญฝังโน้นละ่ะก็เห็นเห็นอยู่ใครๆก็รู้คนนิยมจะตายชมจะตายเนี่ยพระพุทธเจ้าเลยตรัสว่า พาหุ่งปิเหมือนที่ยกให้ฟังเมื่อตะกี้เป็นคาถาที่ยกเป็นหัวข้อของการบรรยายช่วงเช้าเนี่ยาหุ่งปิสหิตังพาสมาโดเนี่ยเป็นต้นนะว่าคนที่กล่าวคำอันเป็นพุทธพจน์อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแม่มาก พูดไ้เถอะแม่มากนตั ก, กะโรโหตินโรปมัตโตแต่ไม่ทำตามนั้นได้ไม่ทำตามนั้นนโรปมัตโตกลับเป็นคนประมาทโคโปโวขาโวคณายังปะเรสังนภาควาสามยสสะโหติเขาจะไม่มีส่วนแห่งสามัญญผลเหมือน คนที่นับเหมือนคนเลี้ยงโคที่นับจํานวนโคให้กับคนอื่นจะไม่สามารถได้กินปัญจโครสเข้าใจปะ่ะเหมือนคนที่เลี้ยงโคอะนับรู้หมดแหละตัวนี้หูแหวงตัวนี้ไอ้ถ้าเอาไอ้หูแหวงหางตกอะไรรู้หมดนะนับนับนับนับแต่โคของใคร ของคนอื่นนับโคของคนอื่นไม่มีโคของตัวเองสักตัวเดียวคนนี้จะไม่มีโอกาสได้กินปันจากโครสปันจากโครสคืออะไรฮะนมอะไรม้างอะปันจาะาแปลว่าห้ารสของโคห้าอย่างหนึ่งนมสดนมส้มนมส้มคืออะไรฮะนมเปรี้ยวไอนมสดนมส้มเปรี้ยง ฮะเนยใสเนยข้นเปลียงก็คือการที่จะเอาอาเปรียงก็คือการที่เอานมสดมาเข้ากระบวนการปัดอะปัดกาบมันไปแล้วก็ไปหุงเป็นน้ํามันอะไรทักอย่างเนี่ยจําไม่ได้แล้วไอ้นั่นออกมาเป็นเปรียงห้าอย่างนี้เป็นปันจากโครถ คนที่จะกินได้ตามชอบใจคือเจ้าของโคฉันใด <c oughs> อัปังหิสหิตังพาสมาโดคนแม้กล่าวคำของแม้กล่าวคำที่เป็นพุทธพจน์แม้น้อยกล่าวน้อยๆ น, นะธรรมะสอนุธรรมจารีแต่ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมนั้น สาอะไรกันเนี่ยมันลืมง่ายนะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นส ม, มัติะสมสมสมัติปะชาโนเ อ, อสมมัตปะชาโนสุจิตเออไม่ใช่ราคันจะดูสันจะปะหายะบูหังและเขาละราคะโทสะบูหะด้วย สัมมัปช च าโดสุจิตาวิมุตโตเขามีความรู้ชอบมีจิตหลุดพ้นด้วยดีแล้วอนุปาดิญาโนอิทาวาหุรังวาเขาคลายจากความยึดติดทั้งส่วนที่เป็นปัจจุบันและส่วนอื่นเนี่ยสภาควาสามัญญาสาวุิเขาจึงเป็นผู้มีส่วนได้ชื่อว่ามีส่วนแห่งสามัญญาผล สามัญญผลก็คือโซดาสกาทาคาอนาคานสามัญญผลคือผลแห่งความกบการเป็นธรรมณะนั่นแหละพระพุทเจ้าสุดยอดมากเลยเปรียบเทียบอะไรต่างๆชัดเจนและภาสิณีก็ไม่ต้องอธิบายอะไรต่อเพราะมีเนื้อความตามที่ได้ยกขึ้นมาแต่ต้นตั้งแต่กถินลงมาจบตรงนี้มันสดรับกับพระพุทธพุท์บทนี้แหละเพราะฉะนั้นโดยสรุป ภาคเช้านี้ประโยคเดียวรีบขวนขวายในการทำบุญอย่ามินว่าบุญนั้นเล็กน้อยและหลีกตัวเองออกจากบาปอย่ามินว่าบาปนั้นเล็กน้อยนะอย่ามินว่าบาปมาเล็กน้อยรีบขวนขวายในการทำบุญอยามินว่าบุญน้อยรีบขวนขวายในรีบขวนขวายในการออกจากบาป แล้วก็อย่าดูหมิ่นว่าบาปมันน้อยเขาบอกว่าวงน้ำหม้อน้าอ่ะหม้อน้ำเนี่ยย่อมเต็มด้วยการตกไปแห่งน้ำทีและหยาดชันใดบุญเล็กน้อยก็สามารถทำให้ใจนั่นเต็มชุ่มไปด้วยบุญได้ฉันนั้นถ้าเรารีบขวนขวายในการกระทำ ไม่ผลัดวันประกันพุ่งในทางกลับกันถ้าเราไม่หลีกใจออกจากบาปไปดูหมิ่นบาปไปดูมินม่นความทุจริตไปดูหม่นความไม่ดีเป็นอะไรลร็อกเลก็กๆน้อยๆไอ้ที่มันพังวินาศสันตโรกับโลกป่นปี้ย่อยยับมาจนถึงวันนี้ก็เพราะอย่างเงี้ยไอ้มันเป็นอะไรล็อกเรื่องเล็กๆน้อยๆอยม่เป็นอะไรล็อกเรื่องเล็กๆน้อยๆอยพอพอพออันนี้ไม่เป็นอะไรล็อกเล็กๆน้อยๆ เอโตกว่า น, นี้หน่อยงะเอาไม่เป็นไดหรอกอันนี้เล็กๆเล็กน้อยๆพอโตวกว่านี้มาหน่อยก็ไม่เป็นไดหรอกอันนี้ก็เล็กๆเล็กน้อยๆโตกว่านี้อันนี้ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ก็เล็กๆกน้อยๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าอักกตังทุกกตังเสยโยขึ้นช like ื่อว่าความชั่วร้ายไม่ทําเลยดีกว่าปัจฉาตปติทุกกตังเพราะว่าความชั่วเหล่านั้นแผดเผาในภายหลัง กะตันจะสุกกะตังสอยอยู่ข้างควายว่าความดีคือบุญนั้นทำเสีเลยอย่าชักช้าทำเสียเลยดีกว่า <c oughs> เนี่ยเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าให้ขวนขวายในการทำบุญและรีบหลีกออกจากบาปอย่าดูหมิ่นว่าบุญน้อยอย่าดูหมิ่นว่าบาปน้อยเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าเป็นคติของใจของผู้ปฏิบัติทุกสายไม่ว่าสายหลวงพ่อเทีย น, สา ย, น ส, ายสายไหนสายสายไหนที่ว่าเราเป็นนักปฏิบัติทุกทุกสายจะต้องมีคตินี้อยู่สองประการคือขวนขวายในการทําบุญและลีกรีบลีกออกจากบาปไม่ดูหมิ่นว่าบุญน้อยไม่ดูหมิ่นว่าบาปน้อยถ้าสายไหน การปฏิบัติสายไหนที่ไม่ให้เราขวนขวายในการทําบุญผิดไม่ให้เราหลีกออกจากบาป ก, ก็ผิดเพราะว่าพระพุทธเจ้าตร์เพราะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้สอนอย่างนี้แหละบุญมาเลยบุญเป็นบุญนิยมมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยไม่ว่างานอะไรรังเกต ด, ดิวันเกิดก็ต้องทําบุญทําบุญอายุตายเอาแต่งาน วันเกิดครบรอบแต่งงานออครบรอบวันตายสิ่งที่จะต้องทำอย่างหนึ่งคือบุญพพระพุทธเจ้าสอนไว้